นุ่นไปตั้งความหวังไม่ดินฟ้าอากาศนะอาดีตอนาคตยุ่งได้หมดหัวใจไม่ตั้งในหลักปัจจุบันคืองานที่ทำของตนผลก็ไม่ปรากฏกิมากไปตั้งไว้กับการเวลาสถานที่นู่นที่นี่ดินฟ้าอากาศนะซึ่งเป็นความผิดจากหลักธรรม ที่กานสอนให้ตั้งลงในปัจจุบันทัฐน์ทัศวิปัสสติให้ดูลงในหลักปัจจุบันงานของเรามีอะไรไม่เวลานี้ยุ่งอยู่กับอะไรหัวใจเป็นตัวสร้างความยุ่งหุ่นวายทั้งหลายไม่มีอะไรเกินหัวใจเราอยากจะพูดว่าไม่มีมีหัวใ จ, วใจดวงเดียวเท่านี้ที่ก่อฟืนก่อไฟเผาตัว เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความไม่รอบคอบในกิาการแสดงออกของจิตดวงนี้ไม่จะหาอุบายได้มาสอนมาระงับดับสิ่งบุ่นวายทั้งหลายภายในใจก็ไม่มีนอกจากทรรมเท่านั้นทรรมนี่เหมาะสมมากทรรมก็ไม่ทราบจะนำทรรมอะไรให้ เหมาะสมอยู่แหละถ้ามีผู้บอกผู้สอนงานจึงลาบากใจถ้าลองได้สร้างความหวังไว้ข้างนอกจากตัวแล้วจะไม่มีหวังนะต้องสร้างความหวังไว้กับงานที่ตนทํางานที่เราทําสําหรับหน้ากวดคืออะไรก็คืองานกิตะภาวนา สร้างความหวังไวท้ที่ตรงนี้ตรงที่งานนี่แหละอย่างอื่นไม่ถูกจิตที่หมุนตัวอยู่ตลอดเวลามีอะไรพาให้มันหมุนล่ะนะปกติของจิตจะต้องคิดต้องปรุงรยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดมันมีอะไรพาให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนะเราทราบไม่ได้นะ นีก็ต้องมีครูบาอาจารย์นำธรรมมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละมาสอนนันนมีอะไรท่านว่าสมุทยัยสมุทัยคือก่อให้ทุกทั้งหลายเกิดคือตัวสมุทัยไม่มีอะไรเกินและไม่มีอะไรก่อนอกจากสมุทัยอย่างเดียวอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ก่อทุกข์และทุกข์เกิดขึ้นเพราะสมุทายนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอะไร เป็นหลักสําำคัญนะว่าีก็เรียกว่าสัจจะสัจธรรมหรืรรรรรออริยสัจสมรรคเครื่องสังหารทุกสมุทัยเป็นผู้ก่อให้เกิดทุกมรรคเป็นเครื่องสังหารทุกเ ม, ม, มื่อมรรคมีกำลังมากน้อยก็ระงับดับสมุทัยไปโดยลำดับลาดามรรคคืออะไร ท่านแสดงยน่นลงม า, าคือมากแปมักฆะแปลว่าะวะทางเดินหรือเครื่องดำเนินมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรูสองอย่างนี้เป็นองค์ของปัญญาความเฉลียวฉลาดนำหน้า ม, มัดทั้งหลายสัมมาวาจากล่าวชอบสัมมารกรรมันตะการงานชอบ สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบนะสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรอยู่ในที่สสถานท่านกขบอกไว้แล้วสัมมาสติตั้งสติไว้ชอบตั้งไว้ภายในตัวของเราเองสัมมาสมาธิความสงบหรือความแน่นหนามัน่นคงของใจโดยชอบนะ ฟังแต่ว่าคําว่าชอบชอบนะไม่ชอบต้องเป็นคู่แข่งกันจนได้มีอยู่ในนั้นแหละท่านจึงบอกว่าชอบชอบเหมือ น, นท่านกล่าวไว้ในอนุศาสตร์ว่าส ม, มเด็จวะอาสวหิมุจะติปัญญาปริภัยต่างจิตต่างส ม, มเด็จวะอาสวหิมุจะติจิตที่มีปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกกัน่นกรองให้เรียบร้อยแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบน่ะฟังสิคือความสําคัญผิดว่าตนหลุดพ้นทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ไม่หลุดพ้นนั่นเรียกว่าไม่ชอบอปัญญาที่ใช้ในทางผูกมัดตัวเองโดยสําคัญว่าเป็นการแก้ไขถอดตอนตัวเองปัญญานั้นก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ชอบกับชอบจึงแทรกกันอยู่ในคนคนเดียวในใจดวงเดียวนั้นท่านจึงบอกว่า สัมมาสัมมาเนี่ยป็นมรแปดเนี่ยนี่สำคัญนี่ที่กล่าวมรแปดเนี่ยนี่คือเครื่องสังหารสมุทยัยธรรมาชาติที่ผิดทุกขึ้นมาให้รับความเดือดร้อนแต่สโลกทั้งหลายไม่ทราบนะว่าอะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ให้เกิด แล้วกรดับและดับตายเหตุไม่ดับต้นเหตุมันก็ไม่มีเวลาดับและไม่ดับไงต้นเหตุก็คือสมุไทยดับต้นเหตุก็ดับด้วยมรคคือเครื่องดับเช่นเดียวกับเราดับไฟด้วยน้ํำดับไฟด้วยเชื่อไม่มีทางต้องดับไฟด้วยน้ําเมื่อมรคมีกําลังมากน้อยสมุไทยก็อ่อนตัวลงการผิดทุก ก็อ่อนตัวลงท่านว่าดับทุกข์โดยลาดับลาดานนิโรดนิโรดนั้นเป็นผลจากสัมุชัญญไม่ใช่นิโรธทำงานเป็นชิ้นเป็นอันของตัวโดยโดยลำพังเป็นผลสืบเนื่องไปจากมากที่มีกำลังจ้าแนวความอิ่มสืบเนื่องไปจากการรับทาน จนถึงอิ่มเต็มที่ก็คือ้าการรับฐานนูนเข้าไปนุนเข้าไปนี่ก็เหมือนกันพระเรามากักไม่ค่อยมีกฎมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มปีประมาณนะแล้วดูดูมันมันขวางตาอยู่ตลอดไม่ทราบเป็นยังไงเคยพูดเสมอลรงนี้นี่แสดงว่าสติห่างจากตัวเอามาก ปัญญาไม่ได้ใช้กันเลยมันถึงได้กระเทือนอยู่เสมอทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่ใช่เป็นคนฉล า, าดอยู่กับหมู่กับเพื่อนเราก็ไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นผู้ฉล า, าดกว่าหมูก่กว่เพื่อนนะแต่เวลาเจอเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงสัมผัสป้าเข้าไปมันจะเห็นในช่องถ้าเป็นนั่งมวยก็เปิดเหนือคางหรือกันไกที่ ท, ที่ที่จะตายนี่ไว้ให้เลยเปิดไว้เปิดไว้นี่แสดงว่าสาติไม่อยู่กับตัว จึงต้องเปิดอย่างนั้นเปิดอย่างนั้นคือช่องว่างแห่งความไม่มีสติของผู้ปฏิบัตินั่นเองจะว่าอะไรไปมันบอกชัดๆอยู่อย่างนั้นถ่าการต่อสู้ต้องเป็นท่าของคนมีสติปัญญาพิจารณาใกล้ควรด้วยปัญญาโดยสม่ำเสมอนี่มันไม่ดูท่ามันไม่มีทําไง นี่ออกราษาแล้วก็ลังลายเข้ามาลังลายมาทําไมออกไปนอกฮักป่าในป่าในเขาที่ภาวนาเ น, นี่ยนี่มาหัวสูงกึนอยู่ที่มันเกิดประโยชน์อะไรผมให้หมู่เพื่อนออกไปเขาไปเพื่อความสงัดวิเวกเพื่อการประกอบความภาคเพียรไม่ได้เพื่อมาหัวสุ่มกันอยู่นี่มันเกิดประโยชน์อะไรสอนก็สอนแล้วอุบายวิธีการต่างๆและสอนด้วยความแน่ใจด้วยไม่ได้สอนด้วยแบบรูกคำคำในความรู้สึกเลย แต่เป็นความที่แน่ใจในการสอนหมู่เพื่อนก่อนหน้าจะนำวิธีการเหล่านี้ไปพึกปฏิบัติความภาคเปลี่ยนของตนในที่เด็ดเดี่ยวเช่นในป่าในเขาที่ไหนที่เหมาะสมเข้าไปสิกลัวอะไรกลัวตายเรื่องความตายไม่ได้อยู่ในป่าในเขาี่นะมันในอยู่ดินน้าอากาศมันอยู่กับตัวของเราเองอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้ถ้าลมหายใจหมดแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้กลัวอะไร นี <c oughs> ่พอออกพรรษาแล้วผู้ปรับปับเข้ามาแล้วมายุ่งกันเปล่าๆผมก็มองดูเหตุผลของมือเพื่อนที่มาเข้ามานี่เพื่ออะไรอย่างนี้มันก็ไม่เห็นเพราะที่จะเป็นสาระแล้วอยู่นี่ก็อยู่มามานานแนละ้วประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงออกไปก็ยังจะไม่พ้นพรรษาผู้ปรับเข้ามาเข้ามาเอาอะไรอี สอนก็สอนเต็มกำลังความสามารถแล้วถ้าจะปฏิบัติก็ควรจะเอาไปปฏิบัติแล้วอย่างนั้นอะไรกันก็ไม่รู้ยั่วแย่ยัวย่วเยี่ยงแย่ยยยแต่พระแต่หนึ่งแล้วก็อกเราจะแตกด้วยนะหนักการปกครองพ่าหนึ่งให้อวาตแนะนำสั่งสอนทุกด้านทุกทางมีน้ำซ้ำยังมีเกี่ยวข้องกับประชาชนอีกมากมายเลย ถ้าเ น, น้นกับไม่เดินหน้าไรหลังอะไรท mm. ี่ทำไงแล้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหลวไหลเลยไอย่างเห็นกันมานี่เป็นยังไงมันดีหรือมันเหลวไหลจนในไลน่หนีจะววาจวาก็ยังมีเห็นไหมล่ะถ้าดีเราจะไลไป่ประธารมาดูสิ นี่กัพูดปมากนะักไม่ก็ดีตอนคำอาละ ว, วันนี้อากาศอบอ้าวด้วยรู้สึกพอรู้สึกรู้สึกขึ้นมาแล้วจึงหยุดเพียงเท่ทานี้การพูดธรรมะงม่พูดอะไรมากนะอืมนะแล้วผ้าใหมท่ที่ใจจะลาสิขาวันไหนเวลาใดล่ะฮะอันที่ไรอันที่สี่กลาอันที่สี่กลางอันที่สีกลางอ่าอืม แล้วจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจะ ไ, ไปสถานที่ใดบ้างอะอยู่ที่นี่ครับ อ, อืมนี่มีเท่าไหร่นี่พระเท่าไหร่มีเน้นเท่าไหร่นี่แล้ววันนี้อะไรเครื่องยธยาทานที่เข้ามาท่ากระถิน่นวันนี้ใครต้องการอะไรก็ไปใช้นี่จะให้ผมจแจกเลยผมก็ไม่ทราบจะแจกอะไรองค์ไหนขาดเขินบกพร่องอะไร แต่ผมแจกอะไรผมก็ไม่เคยแจกเพราะจะไม่ถูกกับจุดกับความมุ่งหมายของหมู่เพื่อนที่บกพร่องอะไรนั่นเพราะวันนี้เราเคยเปิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใครมีอะไรต้องการอะไรก็มาเอาเลยไม่ต้องมาบอกมากล่าวผมผมไม่มาบอกผมเปิดไว้ตลอดเพราะนี้เป็นของทุกคนใครขาดตัวบกพร่องอะไรก็มาเอาเลยนั่นจะเหมาะยิ่งกว่าการแจกใครทราบจะแจกอะไร แล้วมีอะไรบ้างที่จะแจกให้เหมาะสมกับความต้องการของหมู่เพื่อนนก็มองไม่เห็นแล้วถ<ม>ึงให้หาเอาต้องการอะไรให้เอาไปใช้เลยทอนนั้นนี่นก็มีตอนนั้นเกิดปัปจจัยที่สําหรับแยกหมู่เพื่อนที่จะใช้ก็มีสําหรับแยกทําประโยชน์โลกสงสารเขาก็มีผมก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นสําหรับความจําเป็นในวัดก็มีแยกไว้ประเภทหนึ่ง สำหรับช่วยโลกเขาดังที่เคยปฏิบัติด้วยมาก็แยกอีกประเภทหนึ่งใชแต่การเงินกลางทองนี้มันเป็นไัยผมจึงไม่ค่อยจะพูดอะไรทั้งเป็นค่าสืบต่อพระด้วยไม่ใช่ไม่เป็นแต่มันก็เป็นความจําเป็นที่เกี่ยวข้องกันก็ถูทายไปอย่ายอย่าเก็บไว้ที่นั่นว่าเก็บไว้ที่นี่ดังนี้พูดไม่ได้เพราะเป็นไผ่เคยเห็นใช่หรือสิ่งเหล่านี้มัน กับหัวใจของคนมันมีบาปมีนรกที่ไหนเราก็เห็นไปแล้วในวัดทั้งหลายไม่ทราบว่าป่นว่าจี้ว่าอะไรเต็มไปหมดวงกรรมฐานเหล่านี้มันจะก็จะแสดงถึงเรื่องอะไรก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องความรอบคอบในการรักษาในการพูดการรักษาเพราะนั้นคําเดียวนี้ก็พอแ ล, ล้วแหละอยิ่งลำบากที่จะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันเสีย การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทาหลักวินัยนั้นนั่นเป็นที่เหมาะและนอกจากนั้นให้เหมาะกับความปลอดภัยด้วยนล่นเน้นมีกี่เน้นนี่ห์มายงไงอีกเน้นหลายเน้นเรื่อยเื่อยเน้นก็เพิ่มท่าก็เพิ่มทั้งรถไม่มีนี่ กองกันอยู่นี่เฉยมันเกิดประโยชน์อะไรยลี้วเยียร์เยียงานการอะไรก็ไม่คิดไม่อ่านมันเหมือนกเขาเรียกเปรดหัวกุนเขาวะไม่ใช้หัวฮึ่มริ่งไปเลยน่ะหัวมีไม่ใช้เขาเรียกเปรดหัวกุนกเขานะวะเปรดคอขาดหัวกุนมีหัวอยู่ก็ไม่ใช้เอาความฉลาดมาจากไหน ออกพรรษาถ้าอยากจะไปเที่ยวที่ไนภาวนาหาที่สงบสงัดก็ไปนะผมไม่ได้ห้ามก็ไม่ทราบจะห้ามเพื่ออะไรนอกจากที่ไหนที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเพลินเท่านั้นเอาไปว่าอย่างนั้นผมพร้อมเสมอที่จะส่งเสรมิมหมู่เพื่อนในทางที่เป็นผลเป็นประโยชน์เฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือกิจตะภาวนาพอออกพรรษาแล้วเข้าป่าเข้าเขาอย่าแต่ก่อนเขาเป็นมาอย่างนั้น อย่างเราอยู่กับสมัยที่เราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจาร์มั่นออกเป็นอย่างนั้นป่าในเขาหาภาวนาธรรมะมกเกิดหรือเกิดในที่เส้นแค้นกันดารในที่ลำบากลาบนในที่กลัวกลัวเราเชื่ออันนี้เพราะอะไรก็ตามถ้าเราไม่สัมผัสสัมพันธ์ดูก่อนแล้วเราจะไม่ทราบ เราต้องเข้าเ ป, เป็นผู้ไปปฏิบัติสัมผัสสัมพันธ์ดูด้วยตัวเองของเรานั่นแหละมันถึงจะทราบได้ดียกตัวอย่างเช่นในพระาวาทที่พระองค์สอนเป็นอนุาสารสุดท้ายนั้นว่าลุคโมลเลเซนาสนังนิสาอปปะพชาตัดทัตเตยาวะจีวงังอุซาหุกรณีนี่เป็นตนนะชวัานมาเช้าสม้งหมดแล้วให้อยู่ตามด้วยขุมูลลมไม้ โอ้โนั้นเบลกตามป่าชัดถ้ำเงื้อมผาซึ่งเป็นที่สงัสงดวิเวกทั้งนั้นนี่นี่ท่านบอกอนุสาสตร์เครื่องพร่มุสอนแป อ, ออกผู้บวกใหมให่ทำความรู้สาหพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดฟังเองสิมีน้ำหนักทุกบททุกบ ท, ท, กบทถ่าฟังด้วยความใช้สติ ความพิพจิตพจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะเห็นความหนักแน่นแห่งธรรมเหล่านี้ว่าเป็นที่แน่ใจตายใจได้พึ่งเป็นพึ่งตายได้จากธรรมบทนี้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นน่ะมันมาชาวสมนุนไ้เธอทั้งหลายไปอยู่ตามรูปขุมนกไม้เนี่ยฟังดิป่าใจเขาตามธรรมนิพพาป่าช้าป่าชัดแล้วอุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิด สิ่งที่เหลือเฟือทั้งก็บอกอีหาโดปาซาโดห้ามเยียงครุห่าอะไรวะไปอันนี้เป็นสิ่งเหลือเฟือท่านก็ไม่ห้ามแต่มันเป็นสิ่งเหลือเฟือเข้าไปแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เหมาะสมที่สุดดังที่กล่าวนี้อ่ะแล้ที่นี้เราเพียงแต่เราฟังเฉยๆว่าออยู่ตามลูกขมูลร่มไม้ชายป่าช้เขาเงี้ยโดยที่เราไม่ได้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เราไม่ได้เข้าไปอยู่เลยดูทดลองดู เราจะไปทราบความหมายของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยประพุทธเจ้าผู้ทรงสอนพระองค์ทรงสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วจนเป็นผลได้ผลเป็นที่พอพระไถยจึงนําพระอุบาตเหล่านี้มาสอนโลกเนี่ยมาสอนพระเราพวกเราเป็นแต่เพียงฟังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์คือไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้แล้วเราจะไปทราบความหมายลึกตื้นอยาละเอียดของธรรมเหล่านี้ได้อย่างไร ไม่ทราบเออต้องเป็นผู้ปฏิบัติคือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องเข้าสัมผัสสมารเองคือเราต้องไปอยู่เองเออตามที่ว่าเนี่ยคือลูกขโมนต้นไม้เนี่ยแล้วในป่าในเขาในถ้าเมื่อผาอเมทฐานที่หน้าวาเดเย้ยหน้ากลัวเกียวเปล่าอืมแล้วเป็นยังไงจิตใจเวลาอยู่อย่างนั้นนี่เอาย่นเข้ามาอีก เช่นการอยู่ร่มไม้ไม่มีที่มุงที่บางไม่มีที่ป้องกันภัยอะไรเลยหากว่ามีก็เพียงแต่การแดดการฝนด้วยมุง้งด้วยกรดเท่านั้นไม่ไดมีผ้าไม่มีฝ า, าไ ม, ไม่ไม่มีไม้ไม่มีฝากระดานหรือหรือไม่ <c oughs> เป็นเงื่อนผาละพอที่จะอยู่ด้วยความคล้าคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายการอยู่เปลี่ยว ในร่มไม้เช่นนั้นกับการอยู่ในที่กําบังในที่หลบมีที่หลบภัยอย่างนั้นความรู้สึกของเราจะต่างกันอย่างไรนี่ต้องไปสัมผัสสัมผัสเองถึงรู้ทตนี้เมื่อเราไปอยู่ในร่มไม้ไม่มีที่มุงที่บังโ อ, อ้ไม่มีที่ที่กําบังเพื่อความหลบภัยทั้งหลายอืมีเสือเป็นต้นนะอะแล้วอยู่ร่มไม้น่ะเลยแล้วเป็นยังไงที่นี่ความรู้สึกมันจะว่าเบ๋ มันจะหวาจะเสียวจะกลัวรอบตัวเลยเพราะที่ไหนก็ไม่มีที่เกาะจิตไปยึดไปเกาะตรงไหนความเป็นที่พึ่งไม่มีเพราะมันไม่มีที่จริงๆที่เกาะเช่นกระดานฝานี่อย่างนี้ก็ไม่มีฝาแยมไม่มีฮะอย่างนี้เป็นต้นนะเราพออยู่ที่ร่มไม้เป็นยังไงที่นี่ความรู้สึกนี่ล่ะมันกลัวมากเมื่อกลัวมากจิตไม่มีที่ที่เกาะหาเกาะตรงไหนว่าจะปลอดภัยก็ไม่มีที่เกาะก็ถอยเข้ามาเกาะ ทำสิจะทําบทใดก็ตามที่นี่จะพุทธโธธรรมโอสังโฆหรือบทใดก็แล้วแต่เอนี่ละธรรมเนี่ยนี่เป็นเกาะกําบังกี่เกาะเข้าติดนี่ปับ๊บหน่อยจะเป็นจะตายก็มอบไว้กับนี้แล้วก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นสร้างความมั่นคงสร้างความอาดหานชานชัยขึ้นกับใจของตนสร้างความสงบขึ้นภายในจิตใจด้วยคําบริกรรมด้วยการตักเป็นฝากตายนั้นจนปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจเลยนี่ เรียกว่าได้สัมผัสสัมผัสทั้งความกลัวในลุกขมูลเช่นนั้นสัมผัสทั้งอัดทั้งทำความกล้าหาญชานชัยเป็นขึ้นภายในจิตนี่ถ้าลงได้สัมผัสได้ตัวเองแล้วต้องทราบและนอกจากนั้นก็ยังทาให้ทราบความมุ่งหมายของพระเจ้าที่ทรงแสดงไว้อีกว่าเป็นอย่างไรบ้าง น, าน่นเป็นยังไงแล้วข้อเหล่านั้นเป็นยังไงเราพึงเทียบ นำข้อเดียวนี้ไปเทียวอนุสาสตร์สีอนสันียกิจสี่นั่คืออนุศาสตร์สี่เนี่ยาบินทวาเสนาสะนะกีฬานักเพศให้เรานำไปปฏิบัติตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนทุกแง่ทุกมุมทุกข้อที่นี่แล้วเราจะสัมผัสเองทุกอย่างทุกอย่างแล้วเราก็ทราบความมุ่งหมายที่พราบนี่ เฮาอะไเฮาไม่ได้สับได้เสียงเฮาด่าไ่วให้เฮากินไอ้ปังหน่อไปข้อตีนาผากัไปมันเฮาไม่ได้สับได้เสียงเหมือนกันนะไป้อนตีหนาผากัไปลูกภาษางงมากเฮาทำเราได้ทาดูเราก็ทราบความหมาย ทั้งสถานที่ดังที่ว่านี้ทั้งรถแห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในจิตเพราะอยู่สถานที่เช่นนั้นนะอันนี้ทำทั้งหลายกระบวนการที่ท่านวัดแสดงว่าสมาธิว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเมื่อเราได้สัมผัสเข้าไปตั้งแต่เริ่มจิตเป็นสมาธิสมาธิขั้นใดเริ่มเข้าไปโดย ล, ๆๆลดายําดับลำดับจนกระทั่งถึงสมาธิที่ละเอียดสุดชุดกําลังของสมาธิเท่านั้นก้าวจากนั้นไปไม่ออกพู ด, ดง่าย พอสมาธิที่เต็มภูมิแล้วย่อมเต็มเช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วจะให้เลยนั้นไปไม่ได้นี่พอภูมิสมาธิก็เต็มภูมิก็รู้ชัดปัญญาปัญญาเมื่อได้ออกภายในจิตตภาวนาของเหล่านี้ออกในแง่ในแงไนแล้วจะสออแสดงถึงเรื่องความเสด็จไปของพระพุทธเจ้าโดยอัดโดยธรรมตลอดถึงพ้นทุกความพ้นทุกของโภคมก็จะทราบไปโดยในเดียวกันนี้เอง คือมันยิ่งถึงกันยิ่งถึงกันปัญญาแก่กิเลสเป็นปัญญาประเภทใดเมื่อปรปรากฏปัญญาปรากฏขึ้นในใจของเราและแก้กิเลสอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนี่เป็นอย่างไรก็ทราบไปถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงแก้กิเลสเหมือนกันเราแก้กิเลสได้ทะลุ ป, ปูโร่งหมดด้วยปัญญาประเภทใดบ้างเราก็จิตของเราก็ยังถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ทรงผ่านพ้นไปก่อนแล้วด้วยพระปัญญา และนำมาสั่งสอนเราโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือมันอย่างถึงกันอย่างถึงกันเลยเพราะความสัมผัสของเราเนี่ยเป็นของสัมผัสมากถ้าอะไรไอะไรก็ไม่สัมผัสอะไรก็ไม่สัมผัสเชื่อมันก็เชื่ออย่างนั้นแหละไม่ได้เชื่ออย่างฝังใจแน่ใจตายใจลึกซึง้งความเชื่อจากหลักความจริงนี่ลึกซึ้งมากนะเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีคำว่าถอนความเชื่อจากความจริงกับความจามันต่างกาัน ความรู้เรยออ่น่ะพอแล้ว น, นะอุณไปฝึกมากเลยมันเะดอีล้